ปาจิตตีอเจลกกวักที่ห้าสิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ของเคี้ยวก็ดีของกินก็ดีแก่อเจลกะก็ดีแก่ปริพาชกก็ดีแก่ปริพาชิกาก็ดีด้วยมือของตนเป็นปาจิตตีอเจลกะนั้นคือชีบเลือยปริพาชกนั้น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 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการถือประเคนนั้นคงเป็นธรรมเนียมใช้อยู่ในพวกนักบวชเหล่าอื่นด้วยต่างพวกคงไม่ชันของอันพวกอื่นรับประเคนคงต้องการรับประเคนจากพวกนั้นเหมือนดังรับจากข้าหรือหัสเมื่อภิกษุให้ของเคี้ยวของกินด้วยมือตนชื่อว่าวางตนเป็นอนุปสมบันแก่พวกนักบวชเหล่านั้นเขาคงม่นได้จึงได้ทรงบัญญศศัติสิกขาบทห้ามไว้ เพราะเหตุนั้นสั่งให้สั่งให้ก็ดีวางให้ก็ดีให้ของอย่างอื่นนอกจากของอันจะพึงกลืนกินก็ดีท่านจึงว่าไม่เป็นอาบัติปาจิตติอเจลกาวัคสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดกล่าวต่อภิกษุอย่างนี้ว่า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 ต้องปาจิตตีเมื่อมีเหตุอย่างอื่นนอกจากจะปิดบังความเสียส่วนตัวเช่นบาทของภิกษุนั้นเต็มแล้วบอกให้กลับมาก่อนไม่เป็นอาบัติปาจิตตีอเจลกาวัคสิกขาบทที่สามว่าอันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนั่งแทรกแซง ในสโพชนะสะกุลเป็นปาจิตตีในสิกขาบทนี้มีปาถะอันจะพึงพิจารณาอยู่บทหนึ่งคือสโพชเนะอันเป็นคุณบทของปาถาว่ากุเลเทโรอยท่านจะสันนิฐานว่าเป็นของมีสนธิแทรกอยู่และเข้าใจว่าเป็นสอุโภชเนะแปลว่ามีคนสองคน ในคำภีวิพังจึงได้แก้ความไปตามนั้นว่าสโพชนะสะกุล น, นั้นคือมีหญิงกับชายทั้งสองคนยังไม่ออกจากกันทั้งสองคนหาใช่ผู้ปราศ จ, จากราคะไม่ฐานที่นั่งนั้นก็แก้เป็นเรือนนอนในนิทานคือเหตุที่มาเรื่องต้นบัญญัติก็เล่าเรื่องไปตามทนองนี้ โดยใจความก็คือเป็นนั่งกีดเขาในเวลาที่เขาจะสูงสิงกันพระอัตฐกะถาจารเห็นแล้วว่าเข้าใจปาฐานั้นว่าสะกอุโโชนเนผิดจึงแก้อีกปริกับหนึ่งเป็นสะอักษร น, นำโชนะศัพ์เข้าสมาถเป็นสะโชนเนซึ่งแปลว่าเป็นไปกับด้วยโชนะหรือมีโชนะ แต่แปลศัพท์โชนะว่าโภคะและอธิบายความว่าหญิงกับชายชื่อว่าเป็นโภคะของกันและกันฟังไม่ได้เสียจริงๆสู้อย่างก่อนก็ไม่ได้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าปาฐนั้นเป็นสะอักษรนำโภชนะศัพท์เข้าสมาดเป็นสัพทโชนเะนแปลว่าเป็นไปกับด้วยโภชนะ หรือมีโภชนะถูกโดยไม่ต้องสงสัยแต่ไม่หมายความดังพระอัฏถกถาจารย์อธิบายความก็ตรงอยู่ตามสับนั่นเองอธิบายว่ากำลังบริโภคอาหารอยู่ภิกษุเข้าไปหาสกุลกำลังบริโภคอาหารอยู่เป็นความเสียมัรดาพียงไรสิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้ เพื่อห้ามความประพฤติไม่สมควรเช่นนั้นกระมังข้าพเจ้าขอฝากความเรื่องนี้ไว้เพื่อพระวินัยทรสอดส่องต่อไปปาจิตติอเจละกาวัคสิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนั่งในที่รับ คือในอาสนะกำบังกับมาตุคามเป็นปาจิตติปาจิตติอเจรกะวักสิกขาบทที่ห้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดผู้เดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผู้เดียวเป็นปาจิตติที่รับสองชนิดพึงรู้โดยนยักอันกล่าวแล้ว ในอนิยตาสิกขาบททั้งสองกิริยาที่นั่งนั้นหมายเอาถึงกิริยาที่นอนด้วยแต่ไม่หมายเอากิริยาที่ยืนและเดินในสิกขาบทแรกหมายเอานั่งในที่ลับตาเพราะไม่มีคำว่าตัวต่อตั ว, ตวจึงถือกันมาว่าถ้านั่งในห้องเรือนกับหญิงมากคนต้องมีชายผู้รู้เดียงสาวอยู่ด้วย หญิงแม่มากคุมอาบัตไม่ได้แต่อันที่จริงคำว่าตัวต่อตัวจะตกด้วยเพลอมาแต่เดิมหรือตกในเวลาจำทรงหรือจำลองฉบับต่อๆกันมาก็เป็นได้สิกขาบทนี้เทียบกันได้กับอนิยตสิกขาบทที่หนึ่งซึ่งมีคำว่าตัวต่อตัวในคำภีวิพังไม่ได้กล่าวถึงเลยเข้าใจว่า คำว่าตัวต่อตัวคงจะตกในชั้นหลังในสิกขาบทหลังหมายเอาที่รับหูเทียบกันได้กับอนิยตตาสิกขาบทที่สองเพราะมีคำว่าตัวต่อตั ว, ตวจึงนำความเข้าใจว่าถ้านั่งกลางแจ้งกับหญิงหลายคนหญิงเหล่านั้นคุ้มอาบัตได้ ถ้าคำว่าตัวต่อ ต, ตัวในสิขาบทแรกตกแนาอธิบายนี้ก็ใช้ได้ในที่นั้นด้วยฝ่ายหนึ่งยืนฝ่ายหนึ่งนั่งหรือยืนด้วยกันทั้งสองท่านว่าไม่เป็นอาบัตแต่พึงรู้อธิบายดังนี้ยืนรับบาดผู้หญิงเขายืนใส่ก็ตามนั่งใส่ก็ตามในที่ห่างคนอันเรียกว่าที่รับหูได้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 จัญญาวัดปฏิบัติมัน ญ, ญาติไม่ให้เป็นเหตุรังเกียจกินแหนง่งท่านสันเสริญว่าอาจาราสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมด้วยมัน ญ, ญาติเป็นคู่กับสำรวมในพระปาติโมกแสดงไว้ในนิเทศแห่งศีลของภิกษุนี้ควรถือเป็นแบบอย่างภิกษุไม่เพ่งการลับหรือนั่งสรงใจไปในอารมณ์อื่น แม่นั่งกับหญิงท่านว่าไม่เป็นอาบัตในคำต้นพึงเห็นเช่นภิกษุนั่งในห้องเรือนกับหญิงหลายคนมีชายอยู่เป็นเพื่อนแต่บางทีก็ออกไปจากห้องภิกษุห้ามไว้ไม่ทันเช่นนี้เรียกว่าไม่เพ่งการลับในคำหลังพึงรู้เช่นภิกษุนั่งอยู่ผู้เดียวงวนึกอะไรอยู่ ไม่ทันรู้ตัวผู้หญิงเข้ามาหาปาจิตตีอเจลกาวัชสิกขาบทที่หกว่าอันหนึ่งภิกษุได้รับนิมนต์แล้วมีพัดคืออาหารอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่ถึงความเป็นผู้เที่ยวไปในสกุลทั้งหลาย ก่อนฉันก็ดีที่หลังฉันก็ดีเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีนี้สมัยในยเรื่องนั้นคือคราวที่ถวายจีวรคราวที่ทมจีวรตามความในนิทานต้นบัญญัติดูเหมือนจะถือเอาความว่าข้อที่รับนิมนต์นั้นเป็นเหตุห้ามเที่ยวในที่อื่นในเวลาก่อนฉัน เวลาภายหลังแต่ฉันแล้วห้าไม่ให้เข้าบ้านเว้นไว้แต่มีสมัย ส, ยสองอย่างนั้นกับมีพิกษสูเจ็บไข้จะต้องออกไปหายาเว้นไว้แต่จะได้ลาพิกษสูอื่นแต่รูปความแห่งสิกขาบทไม่เป็นเช่นนั้นมีคำปริกรปคือก็ดีเข้าประกอบกับคาว่าก่อนฉันและที่หลังฉันทั้งสองแห่ง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 คือกลับจากบ้านที่นิมนต์นั้นแล้วไม่ให้ถือเอาโอกาสที่รับนิมนต์นั้นเลยไปเที่ยวที่อื่นต่อไปเมื่อมีกิจจำเป็นจะต้องทำในสองอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งจึงให้บอกลาภิกษุไว้เป็นหลักฐานสมัยทั้งสองนั้นก็เคยเป็นเวลาได้รับยกเว้นในศิกขาบททั้งหลายอื่นแล้ว หนทางจะต้องผ่านไปทางเรือนของผู้อื่นเดินไปตามทางนั้นไม่นับว่าเชิญไปอื่นถ้าภิกษุไม่มีคืออยู่ผู้เดียวเมื่อมีกิจจำเป็นเกิดขึ้นไปได้พระนสิกขาบทกล่าวถึงเฉพาะเที่ยวในสกุลในคำพีวิพังท่านจึงว่าไปสู่อารามอื่นไปสู่ที่อาศัยภิกษุณี ไปสู่ที่อยู่เดียรถ์ถีไม่เป็นอาบัติแต่ในเรื่องเช่นนี้ที่ทำให้เสียผลท่านเคยปรับเป็นอาบัติทุกกฎในที่นี้ก็อาจจะทำให้เสียผลได้เหมือนกันแก้ว่าไม่เป็นอาบัตินั้นอย่างไรอยู่แวะเรือนอันอยู่ตามทางเมื่อขากลับนับว่าไม่ได้เลยเที่ยวต่อไปท่านอนุ ญ, ญาต แต่ถ้ามีภิกษุคงต้องบอกลาแท้เพราะมีสิกขาบทอื่นอันให้ทำเช่นนั้นในการไปเรือนที่นิมนชันไม่มีปัญหาที่จะพึงยกขึ้นพูดปาจิตตีอเจลกาวัคสิกขาบทที่เจ็ดว่า ภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธพึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียงสี่เดือนเว้นไวแต่ปวารณาอีกเว้นไวแต่ปวารณาเป็นนิตยะคือเป็นนิดถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตติคำว่าปัจจัยนั้นกล่าวโดยสามัญโวหารเป็นชื่อสาธารณะแกจีวรบินทบาตเสนาสนะและเพสั แต่ในที่นี้ในคำพีวิพังแก้ว่าได้แก่เพศัตชเรียกว่ากีลานปัจจัยเหตุที่นำให้แก่อย่างนี้บางทีจะเป็นัพท์ว่ามีใช่ผู้ใช้นั่นเองข้าพระเจ้าปรารถนาจะเข้าใจให้กว้างกว่านี้การขอปัจจัยต่อคนปาวรณาผู้ไม่ใช่ญาติกล่าวว่าไม่เป็นอาบัตในสิกขาบทอันกล่าวถึงบิญญาตทั่วไป แต่ไม่มีอนุญาตเป็นพิเศษในสิกขาบทนั้นๆเลยเขาพระเจ้าเข้าใจว่าส่งอนุญาตให้ขอต่อผู้ปรนนธาได้ด้วยสิกขาบทนี้เองแต่ให้ขอได้เพียงสี่เดือนเพื่อจะให้รู้จักประมาณเว้นแต่เขาปรนนธาซ้ําขอได้ต่อไปอีกสี่เดือนแต่ถ้าเขาปรนรณาเป็นนิตยะคือเป็นนิษขอได้ตลอดไป เหตุไนจึงต้องกล่าวถึงภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธไว้ด้วยเล่าคำนั้นนําให้เข้าใจว่าทรงอนุญาตภิกษุไข้ให้ขอได้เสมอไปจริงอย่างนั้นทรงอนุญาตให้ภิกษุไข้ขอบิณฑบาตได้ในสิกขาบทอื่นให้ขอเภสัชได้ในนิทานต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทก่อนภิกษุผู้ไม่เจ็บไข้จะขอทัพพะสัมภาระ มาทำเซนาสนะดังกล่าวถึงในสังคาที่เสศสิกขาบทที่6ก็ได้แล้วเหตุหนภิกษุไขจะขอไม่ได้คงยังขาดไม่มีในสิกขาบทอื่นแต่ขอจีวรคนปวารณานั้นแสดงโดยในยะอันกล่าวไว้ในคำพีวิพังมีเป็นสี่คือปวารณากำหนดปัจจัยหนึ่ง ปาวรณากำหนดการหนึ่งปาวรณากำหนดทั้งสองอย่างหนึ่งปาวรณาไม่กำหนดทั้งสองอย่างหนึ่งปาวรณากำหนดปัจจัยนั้นคือกำหนดชนิดของเช่นจีวรหรือบิณฑบาตน้ำมันหรือน้ำพึง่งหรือกำหนดจำนวนแห่งของผ้ากี่ผืนบิณฑบาตมีราคาเท่าไหร่เขาปาวรณาปัจจัยชนิดไร มีประมาณเท่าไรขอเข้าได้ในกำหนดแต่เพราะไม่ได้กำหนดการพึงขอได้เพียงสี่เดือนปาวรณากำหนดการนั้นคือกำหนดน้อยกว่าสีเาากกาส่เดือนก็ตามมากกว่าสี่เดือนก็ตามพึงขอเข้าได้ในกำหนดนั้นไม่ต้องเอาสี่เดือนเป็นเขตขั้นปาวรณากำหนดทั้งของทั้งการนั้น พึงถือเอาอธิบายในสองข้อข้างต้นรวมกันเถิดปาวรณาไม่กำหนดทั้งของทั้งการนั้นเช่นปาวรณาว่าต้องการด้วยสิ่งอะไรขอจงบอกหรือว่าข้าพเจ้าปาวรณาด้วยปัจจัยสี่ดังนี้เรียกว่าไม่กำหนดของเขาไม่ต้องอ้างถึงการว่าจะให้ขอได้เพียงไรเรียกว่าไม่ได้กำหนดการ เช่นนี้ต้องการอะไรขอเขาได้แต่พึงขอเพียงสี่เดือนตามสิกขาบทนี้ถ้าเขาปวารณาซ้าอีกขอได้เพียงคราวละสี่เดือนถ้าเขาปวารณาเป็นนิตยะคือเป็นนิตขอได้เสมอไป ปาิตตีอเจละกาวสิกขาบทที่8ดว่าอันหนึ่งภิกษุใดไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแล้วเว้นไว้แต่ปัจจัยมีอย่างนั้นเป็นรูปเป็นปาจิตตีเสนานั้นคือกองทัพครั้งโบราณส่งเราะด้วยพลช้างพลมา้าพลรถพลเดินแม้ในภายหลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร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 เสนายกมาทางอารามหรือเดินสวนทางไปพบแลเห็นไม่เป็นอาบัตมีอันตรายเกิดขึ้นเช่นถูกจับไปเป็นฉเฉลยไม่มีปัญหาปาจิตตีอเจรกาวัตรสิกขาบทที่9ก้าว่าก็ถ้าปัจจัยบางอย่างเพื่อจะไปสู่เสนา มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นพึงอยู่ได้นในเสนาเพียงสองถึงสมคืนถ้าอยู่ยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตติปัจจัยนั้นพึงรู้ดังกล่าวในสิกขาบทก่อนวิธีนับคืนนั้นกำหนดเวลาพระอาทิตย์อัสดงปรับเป็นอาบัตในวันที่สต่อเมื่อตะวันตกแล้ว อยู่เพียงสามวันแล้วกลับเสียภายหลังไปอยู่ได้อีกมีเหตุจำเป็นเช่นเจ็บอยู่ในกองทัพหรือเสนาถูกฆ่าศึกล้อมและมีเหตุขัดขวางอย่างอื่นอีกอยู่เกินกว่ากำหนดนั้นได้ปาจิตติอเจรกาวัตรสิกขาบทที่สิบว่า ถ้าภิกษุอยู่ในเสนาสองถึงสามคืนไปสู่สนามรบก็ดีไปสู่ที่พักพนก็ดีไปสู่ที่จัดขบวนทัพก็ดีไปดูหมู่อนิกะหรืออนึกคือช้างมา้ารถพลเดินอันจัดเป็นกองกองแล้วก็ดีเป็นปาจิตติ